ศึกษาคําว่าศึกษาก็คือการเจริญอธิศีลศิกขามีอัตภาพเพื่อการเจริญอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาศิกขาเพราะว่าบารมีทั้งหมดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นและบำเพ็ญจนได้บรรลุบารมีอย่างอุกฤตสุดยอดเหมงอนนสุดยอดไม่มีอะไรที่สละเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่สละเพื่อโพี่สมภาร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 สรจริงๆเนี่ยนะก็เป็นอนุภาพที่ยอดเยี่ยมประกาศอย่างเช่นแค่ธรรมจักสูตรเดียวนี่ก็แสงสว่างอันโอรานก็ได้ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะตลอดหมื่นโลกธาตุสูตรนี้มนุษย์คือพระอัญญาโกลธัญะญบรรลุแต่ว่าเทวดาและพรหมบรรลุมากเนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมเนี่ยบรรลุประมาณสิบแปดโกธเนี่ยนะก็ร้อยแปดสิบล้านเป็นต้นเนี่ยนะ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 แม้เราก็จะบำเพ็ญศีกขาให้บริบูรณ์ตามลําดับด้วยการปฏิบัติแล้วจกบรรลุตามถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวเราจะทําตามแล้วเราจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นสร้างบารมีเช่นใดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็จะสร้างบารมีเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้เช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหลายท่านมีความคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างอุกฤษเหตุผลอันนี้เนี่ยนะที่ที่ว่าฟังแล้วปฏิบัติยากทํายากเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธุบาโททุลโพเนี่ยน ะ, ะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากยากอะไรก็มาดูศึกษาบารมีแต่ละอย่างใครมั่งจะปฏิบัติตามแนวจริยาปิดกอย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่เราเอามาริยนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าน้าน้ําแก้วเดียวในบรรดาน้นําเป็นที่เรียกว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยนะ เอาน้ำแก้วเดียวเท่านั้นแหละมาเรียนเนี่ยเรียกว่าเรียนน้ำแก้วเดียวของท่านเราเรียนเรื่องบุญแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชบุญตลอดกลับนี่ยยังมากกันนี่เยอะที่ไม่เอามาแสดงเนี่ยที่ไม่เอามาแสดงแล้วตั้งสี่สงไข่แสนกลับที่เหลือละ่ะอยู่ที่ไหนแล้วก่อนหน้านั้นอีกอยู่ที่ไหนที่เราไม่ไม่มีผู้ใดรู้เนี่ยนะไม่มีผู้ใดรู้เพราะพระองค์ไม่ได้เอามากล่าวเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยนะพันรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็น ของยากเนี่ยนั้นการศึกษาจริยปิดกเราจะรู้จากพระปุพพจริยาคุณที่เป็นบุญเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีที่ทำให้พระพุทธเจ้าบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเทวดาและมนุษย์ออกจากสังสารทุกข์โดยชอบต่อไปอนหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยแต่ความชั่วคือหมายความว่าถ้าท่านมีความดีอะไรก็ปิดปิดเงียบเลยนะ แต่ว่าถ้ามีความชั่วใดๆก็เปิดเปิดเปิดเปิดมาหมดแปลว่าคุณงามความดีบุญก <ine> ุศลก็คิดง่ายๆว่าใครมีทรัพย์ไปที่ไหนเปิดตัวไหมโอ้ม <mad>. ีเท่านั้นมีเท่านี้บัญชีเท่านั้นมีรายได้เท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเขาทํากันอย่างนั้นไหมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่านทําบุญกุศลคุณงามความดีก็นั่นก็ทํามากพอทํามากมันก็ไม่ไม่พูดแต่ก็เปิดเผยสิ่งที่เป็นความชั่วเปิดเผยบาปเนี่ยนะ โดยปกติแล้วพื้นฐานเป็นผู้ที่มักน้อยคำว่ามักน้อยก็คือมักน้อยในอะไรเช่นมักน้อยในมหาพูดแต่ไม่ได้มักน้อยในกุศลนะยินดีในการเจริญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้แต่มักน้อยในมหาภูตารูปทั้งหลายคำว่ามักมักไอ้มักมากนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอบอกว่าคนมักมากเหมือนอะไรเหมือนกับทะเลว่ากันทะเลเนี่ยเอาน้าแค่ไหนไปถมก็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 ปกปิดคุณงามความดีทั้งหลายแต่ถ้ามีความชั่วนิดๆหน่อยๆก็เอามาเปิดเผยแล้วเนี่ยนะซึ่งตรงกันข้ามกับคนพาลคนพาลมีความดีนิดเดียวเล่าแล้วไม่รู้จักจบหวามกันเล่าอวดนะไม่ใช่เล่าแบบระ ล, ลึกถึงความดีที่ทํามาไม่ใช่แต่เที่ยวอวดเที่ยวข่มคนอื่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นที่ทําบาปใหญ่ถ้าภูเขาขนาดไห น, นก็เอาใบมะขามไปแปะๆไว้หน่อยหนึ่งแค่นั้นแหะก็มักน้อยในปริยัตมักน้อยในในทุ่ดงเป็นต้น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 ทำกุศลแต่ละอย่างเพื่อที่จะช่วยสัตว์เนี่ยนะนับว่าเป็นความลำบากทางจิตใจไม่ใช่น้อยแต่ก็ทนความทุกข์ทางกายและใจโดยที่ไม่มีความหวัดสะดุง้งไม่สะดุง้งเหมือนนเถอะรวมแล้วไม่ฟุ้งซ่านนะนะไม่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านเป็นยังไงนั่งสามนาทีเนี่ยคิดได้สิบ0ี่สิบสาสิบเรื่องคิดเรื่องนี้ยังไม่จบก็ไปเรื่องอื่นแล้วก็พอไปเรื่องอื่นแล้ววกกลับมาเรื่องเก่าจนคนอื่นงงไปหมด เขาเรียกว่าคนฟุ้งซ่านว่างั้นเขาเรียกว่าตาเนี่ยเป็นยังไงเหมอ่ลอยอันหนึ่งกับโอ้ยล็อกเล็กๆเหมือนกับลูกหลานพญาหานุมานมาเกิดงั้นนะ่ะนะตาลักษณะนั้นเรียกว่าคนฟุ้งซ่านหรือไม่ก็เหม่ใจที่ไหนก็ไม่รู้ลอยไปเรื่อยที่จะสิ้นชีวิตแล้วยัยงไม่รู้ตัวมดเต็มเหมอ่ลอย แล้วก็ไม่เย่อหยิ่งคนเย่อหยิงก็คือเป็นไงเขเรียกว่าพยองอ่ะ น, นะ ก, ก็เย่อหยิงพยองแล้วก็ลําพองพวกลักษณะนี้เขาเรียกว่าเย่อหยิงก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นอันนะโดยรวมแล้วพื้นฐานไม่ใช่คนเย่อหยิงไม่ใช่คนลําพองไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่งงแต่คือปกติรวมแล้วเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ปากร้ายเนี่ยนะนะก็คือใช้วาจาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่า การใช้วาจาเพื่อให้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ไม่แสหาเรื่องเรียกว่าไม่แกว่งมือไปหาเสี้ยนไม่แกว่งไปหาเสี้ยนนะนะที่ลูปไปรูปมาเคยรูปเตียงไหมลูบไปรูปมารูปมารูปไปเสี้ยนติดมือเลยก็มีนะนะนะติดที่มือธรรมดาติดที่เล็บด้วยนี่ยังไงยุ่งมากนี้ฉันใดรวมๆแล้วมีกายกรรมวิจีกรรมไม่แสหาเรื่อง บางคนนี่มันแส่นะแส่ทางความคิดกันคิดจนได้ไม่สบายใจอยู่ๆก็สบายใจดีแล้วก็แส่คิดไปจนลำบากใจก็มีบางคนนี่นะพูดจนได้ทะเลาะกันเนี่ยนะก็เรียกว่าแสหาเรื่องบางคนนี่มีพฤติกรรมจนตัวเองต้องลำบากจนโบราณภาษาไทยใช้คำว่าไม่มีเฮาหาเ้าใสหัวเนี่ยนะลักษณะนั้นคือปกติแล้วไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้น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 สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะสมาทานศึกษาในสิกขาบทว่าด้วยเว้นจากปาณาติบาตสมาทานในสิกขาบทเว้นจากอธินนาทานการมีสุมิจฉาจารสมาทานประพฤติสิกขาบทไม่ว่าจะเป็นไปตามกุศลกรรมบทหรือศีลห้าสินปดอุโบสถศินสิทธะรก็้สิกขาบทห้าสิกขาบทแปดสิกขาบท 10, สิบสิกขาบทที่มีในพระปาติโมกเป็นต้นก็เรียกว่าพยายามสังวรรักษา บทที่สมควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นบารฐานเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมทั้งหลายเป็นผู้ปรารบความเพียนทางกายและจิตใจมีตนมั่นคงเจริญบุญกุศลไม่คำหนึ่งกลวว่าไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตกลวว่าเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อคนงามความดีอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อบุญกุศลได้นมีอุทิศทุกอย่างเพื่อบา ร, รมีทั้งหลายเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ยอมรับบาปอากุศลเนี่ยนะละบรรเทาอาภิชาในกายและชีวิตคือว่าไม่ไม่ยอมรับการยึดติดในร่างกายในชีวิตแม้มีประมาณน้อยคืว่าเป็นคนโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้อะไรในร่างกายและชีวิตเลยอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อการสร้างบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสัรพสัตทั้งหลายให้พ้นจากทุกพ้น ร่างกายและชีวิตแม้แต่นิดเดียวยังไม่อะไรจะกล่าวไปใหญ่ถึงแบบติดข้องหนับขนาดนั้นไม่เรียกว่าละความยุติในร่างกายและชีวิตละบันเทาความเศร้ามองทั้งหลายอุปกิเลสคือเรื่องเรื่องที่มันเศร้ามองภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอถือตัวแข่งดีมายาสาไถความริสยามัจเฉริยะ ความเมาความประมาทเป็นต้นก็เป็นคนที่มุ่งละบาปละอกุศลที่เป็นอุปกิเลสภายในเพราะว่าความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตบาปอากุศลที่เป็นเครื่องเศร้ามองภายในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความทุศลีลแม้ทั้งปวงอันนั้นก็คือมุ่งบำบัดกําจัดอกุศลลังไายเพราะว่าเป็นเหตุให้ทุศีนเป็นเหตุให้ถึงบาปประกรรมทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ยินดีด้วยการบรรลุธรรมอันวิเศษมีประมาณน้อยคือไม่สันโดษในคุณธรรมชั้นระดับล่างๆไม่สันโดษในแค่ศีลศีละมัตตากังโอรมะมัตตกังเนี่ยนะไม่สันโดษในศีลว่าศีลเนี่ยเป็นของเล็กเป็นของน้อยไม่สันโดษแค่ในสมถะทั้งหลายไม่สันโดษในวิปัสสนาระดับล่างๆปฏิบัติโน้นะได้สังขารุปเกขาญาณ น, นั่นแหละเจึงกระคราวค่อยพอเขาว่ากัน เราไม่สันโดษในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายไม่ท้อใจไม่มีความท้อแท้ในการเจริญกุศลมีแต่ความพยายามเพื่อจะบรรลุธรรมที่พิเศษวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปมียิ่งแต่เพิ่มคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาบัตตามที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นศีลสมถวิปัสนาตามที่ตัวเองเจริญแล้วไม่มีส่วนแห่งหาณนาะภาคยะ ไม่ใช่ว่าโอ้สินกระร่องกระแร่งเกือบจะขาดเต็มทีแล้วจะขาดไม่ขาดแล่จใจก็พร้อมที่จะเสื่อมจากฌานไปต้นไม่ใช่ลักษณะนั้นหรือกุศลธรรมเหล่าใดเนี่ยนะแค่ดำรงอยู่หยุดอยู่ไม่มีแต่วิเศษะทาคิยะมีแต่กมุ่งสร้างประมาณแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งพระมหาบรุษนั้นเป็นคนที่นาคนตาบอดช่วยคนตาบอดโดยการ บอกทางช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกลุ่มคนตาบอดให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่คนหูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์แก่คนใบก็เหมือนกันช่วยเหลือแม้กระทั่ง ช, ช, ช, นะช่วยคนตาบอดช่วยคนหูหนวกช่วยคนใบช่วยคนตาบอดตัวเองก็ได้มีไรมีพุทธจักรสุเป็นต้นช่วยคนหูหนวกพระองค์ก็ได้มีหูหูทิพเป็นต้นนะช่วยคนใบก็ทาให้พระองค์มีวาจากล่าวอริยสัจธรรมเป็นต้นนั่นเอง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 ให้เขาข้ามพ้นจากความสงสัยในอดีตไม่ให้สงสัยในอนาคตไม่ให้สงสัยทั้งอดีตและอนาคตไม่ให้สงสัยในปฏิจจสมบาทมุ่งกาจัดความสงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณในสิกขาทั้งหลายเนี่ยนะก็คือช่วยให้เขามีอินทรีย์ห้าช่วยให้เขาละนิวรณ์ทั้งห้าช่วยให้คนที่มีกามวิตกออกจากกามวิตกกช่วยให้คนที่มี พยาบาทวิตตกให้ออกจากพยาบาทวิตกช่วยให้คนที่มีวิเหิงสาวิตตกออกจากวิเหิงสาวิตตกช่วยให้คนที่มีมิจฉาวาจาให้เป็นสัมมาวาจาช่วยให้คนที่มีมิจฉากรรมันตาก็คือช่วยให้คนที่มีมิจฉาอาชีวะตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีวะเป็นต้นก็คือช่วยให้เขาเจริญในข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์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 อ้อยแบบสวนอ้อยอะนะมันไม่ใช่มันแข็งน้อยนอยมันแข็งจริงจนะแข็งโปกเลยนะเคี้ยวจนฟันกระหักนั่นแหละเพื่อนชวนไปลักโอ้โยเกิดมาจะไปลักอ้อยครั้งแรกไปลักหักอ้อยได้สามสี่ต้นเจ้าหนะ้าที่ที่ดูแลสวนอ้อยเนี่ยนะมาแล้วก็โอ้โยวิ่งตามแล้ววิ่งเงินป่าราบเลยวิ่งไปทั้งสองกิโลนะมันยังตามมาอีกตามมาและจับได้ จับได้โอ้ยใจนี่อยู่ที่ที่เท้าเลยโอ้ยตกใจมากจับแน่ว่าจับถูกจับได้แล้วทําไงแล้วก็สอบถามว่าลูกหลานไข่่างนั้นพาไปบ้านยายเพราะเราเรียกว่าคนละหมู่บ้านห่างบ้านเกิดเนี่ยตั้งหลายกิโลนะหหกิโลหมายนั้นเด็กๆเกนี่ยไกลามากนะโอ๊ยเพื่อนชวนไปเนะี่ยเอาไปจับไปไปส่งถึงยายเลยนะโอ้ยอายแทบตายแล้วก็แทบเข็ดจนตายหละรักอ้อยเนี่ยนะ เ, เห็นตรงนั้นนี่หม อือายมากเลยนะมันก็เด็กๆนะแปล ว, ว่าเพื่อนบางคนชวนไปรักอ้อยเนี่ยแหมเศร้าใจถึงทุกวันเนยะไม่น่าไปเลยนี่ยนะไปหักอ้อยนะแล้วก็แข็งป๊กไม่ได้เคี้ยวแบบกรอบหวานมันอะไรที่ไหนหรอกเคี้ยวฟันก็แท่ผักอะไรนะแข็งนะอ้อยที่เขา อ, อะไรเข้าโรงน้ําตาลอ้อยนะนะั่นแหละโอ้เคยแต่ลักอ้อยใจสูงต่ำนะนะวิ่งเหนื่อยเป็นวิ่งเป็นกิโลอยังตามมาอีกโอ้